นับแต่วันเข้าพรรษามาจงกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่าหนึ่งเดือนก็ไม่ปิดยังอีกวันเดียวเท่านั้น ก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะาธาตุขันไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดง ให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพัาะฉนนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทมอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้ มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตได้แก่ความหลุดพ้นของใจนี่จึด เตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคําว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกีย่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติตตกําลังความสามารถเรื่อยมา ทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามค้นขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแม่เรียนหนังสือ เพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักด์อันใดดังโลกโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีที่เลสอยู่ภายในหัวใจก็ตาม แมีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแงน่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักมิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาถีนอันสำคัญสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูง ทางด้านปริยัตยิที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนเดินไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนถึงสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำหรับตำลาที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนหนุน คำดังพระพุทธเจ้าท่านประธานโวาตวัดแก่ บ, บรรดาภิกษุบริสัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้งสี่ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริสัทธในข้างนั้นก็พยายามค้นคว้าและ เก็บเล็ดผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาแล้วทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบาเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภาณนาจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไร ก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่เรศึกษาเล้วเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญ มาเต็มสติ ก, ษษ ก, กำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเกงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัตและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสาหรับเพื่อนผูงที่มาอบรมศึกษาที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาด จากหลักคำสอนคำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นํามาแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมากด็ดีให้นําสิ่งที่ถูกต้องดีงาม น, นั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตอนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแต่บรรดาสาวกทั้งหลายจนปรากฏเป็น พระหันขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าทรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เว ล, เวลามาช้าสายบา่ายช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพานไปแล้ว ธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกย่อมเป็นทุกนรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกย่อมเป็นความพ้นทุกโดยสมุนนี่คือหลักธรรม ที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดการไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมา ไม่มีทางที่จะได้เ ร, รอดออกไปพอเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่มีความเฉดหลาบในความทุกข์ความทรมานแตเพราะอย่างยิ่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็ เมื่อไม่มีความเฉลียหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งๆ ท, ที่ตนก็ไม่พึงปฎิฐานาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งชื่อว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดตหนนมัน นั่นเป็นสิ่งที่เครื่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันนี่หนุนขึ้นทุกวันทุกวันหนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละ ส, สิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อย เสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคกินาก็นับวันนานแน่นเมื่อราคกินาเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากก่าจิตใจให้เกิดความโทสะความคีบความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากน ถาธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป <c oughs> ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาแต่ว่าหน้าปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสําคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติเล้ส่งไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบําเพ็ญภาวนา นี่เป็นหลักสําคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนพุทธสูตบริษัท ธ, ธ์เน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาบิมุตตุพล น, นี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษารเรียนมายังไม่สงสัยในการที่จะนําข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคารวะญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองสเสบียง ผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟากฟันหันแดด ก, กับกิเรสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า <c oughs> ท่านจึงสอนทำ เพื่อความดูดท้นโดยลําดับลําดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจําไว้อย่างถึงใจ <c oughs> นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวล่าไม่ต้องไปหาที่ไหนพือให้เกิดพอให้เกิดความสงเพาะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเหล่านี้ตากรีเลชเครื่อง เสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี้ก็กดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเรายิงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกมีหรือไม่มีแล้วทุกเป็นอย่างไรมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไร มีความจินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงนากสัดโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โล ก, กทั่วไปอย่างกระจัดะไัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัต ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกกาะถาจึงได้นำนั้นมาประกาศทำสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นถันของมันและประกาศความลุดพ้นจากพระไตรของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้ลุดพ้นแล้วถึงขั้นาสาบสลาเอก <c oughs> ไม่มีใครเสมอโทษกก็เห็นอย่างสมบูรณ์ สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในผ้าไถแม่นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทธโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นจ่าสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพผ้าไถนำความอัศจรรย์ ที่ดุดพ้นแล้วจากทุกทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเหล่านั้นให้อมาเทียบกันดู หนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุ ก, ทกข์ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกังวาลให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระไทยทั้งนั้นความเมตตก็เต็มพระไทยสั่งสอนอัรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคา ว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นรำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะได้ถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้ว ย, วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ปฏิบัติตามพระองค์ท่าน หาเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้นี่จะความอ่อนแอทอดแท้เลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้เจดิตถลอกปอกเปิดกสมพระเมตตาที่ทรงทอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆเอามาเทียบดั่งนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกขอหเห็นใจพระพุทธเจ้า ที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความจัดสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมา จนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระไทยแล้วนํามาประกาศสอนโลกชื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องในงามเต็มไปด้ยวยความถูกต้องในงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บําเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องในงามให้เต็ม เม็เต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ลูกใจยเรศมันเหยียบมันย่่าบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลูกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลูกวิธีการฉุดการลากวิธีต้อตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียนของผู้ปฏิบัติ อย่อยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตรตองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเอนผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากกิเลสเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิ ด, มดปิดตา ทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกเรียกปิดบังหุ่มห่อหอยู่อยัางมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถึงใจ <c oughs> นี่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาค่าเอา หากเป็นอยู่ในหัวใจนี้ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลก ท, ทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนําสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกําลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรม จ, จึงมีการแสรดงดังที่รู้เห็นเห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่เป็นมาเพราะอํานาจแห่งพลังของกิเลสหรืออํานาจของกิเลสถักดันออกมาให้แสดงทริยาท่าทางสุ้มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัดของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็เม็ดเต็มหน่วยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องถ้าว่ามาหันตทุกก็เป็นจริงๆริประจัก อยู่ในหัวใจเอาบรลมมาสูบก็ดำเพนให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาเนี่ยน้อยทั้งเอ้ยหมักบหนักเบามากน้อยทั้งเนีย่ยดีเนีย่ยชั่วเนีย่ยสูกเนีย่ยถูกนี่หละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตวตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตวตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมากจาก เสวตั้งแต่สิ่งที่ต่ำชามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกทุกเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นหมานแต่ทุกข์และก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากรบเลื่อยมากบเลื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตอนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้นที่มันน่าสรุปสัมฤทธิ์เอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสัดสองไปถึงมันได้เลยนี่ที่สำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลส เวลามละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของที่จิตให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิจตภาวนาเข้าให้มากๆอมากปูมิจิตปูมทำ ถ, ถึงเท่าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างความวุ่นวายความายแสบความกวาดแฝงของจิตเป็นลําดับลาดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าค่าแห่ง ความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษทางความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลําดับกําดา ข, ขึ้นมานี่นั่นเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งของนี้มาแล้วทําไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเทียงกันก็รู้กันทันทีทันทีท น, ทนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่คู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคีย ง, ย ง, ยง ก, กันแล้วเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นเอากล้าขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทําให้สารโลกได้รับความนิ่มจมชิ้หายเรื่อยมาไม่ทราบกับใดกันนะเอาๆพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดว่าเอาๆเอาเลยมันถึงใจดีเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาขอ้อกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้อาจจะรู้ก็รู้อย่างนี้ฮะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดนี่ใครจะว่าบ้าก็บ้า ใครจะว่าเป็นอะไรเพรว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องทําเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้ด้วยเห็นมาทำพระพุทธเจ้าประกาศทำสอนโลกเพื่อให้รู้หเห็นนี่จริงทําไมรู้ไม่ได้ทําไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทําไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคําพูดคําสอนกันไม่ใช่คําอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อรู้แล้วทําไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้นี่ เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราเราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดัง่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราเราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเขา้าเข้าเพียงไรเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยสู้เคยซ่อนเคยหลบเคยหลี ก, ลกลติดตัวใช้กลมายาทําลายสัตว์ ทรมาณสัตว์ให้รับความที่หมายปนเปื้อนเรื่อยมานั้นมันก็ล้วกันไปโดยลําดับลําดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นที่นั่นเช่นอย่างอย่างไฟไฟได้ชเชื้อเอาเผาไปไหม้ไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไ ป, ไไปจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดตัเองนี่ฉันใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่จะทราบเรื่อง ของกิเลสที่มันเคยเป็นค่าศึกต่อหัวใจเราเนี่นแหละเป็นสําคัญเพราะเราเป็นหน้าปฏิบัติที่จะถอดถอนตอนเองให้พ้นจากฟืนจากไปจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแกกล้าแล้วเปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไวเคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจอเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นตรงนั้น กิเลสมันหลบมันเ่อาอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดืหลําดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆช้ำละกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมาเน่ละท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่สังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกสังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไปเห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่ง เผาไม่หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสเอแพทย์ใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติที่ทมวิสุทธิจิตล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้ มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามบินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามผ้าแดบดินหลมน่าจะฐานที่ใดทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี่อยู่กับนั่นเยี่ยวรถอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเลออยู่กับนั่นอ่าไม่ไปอยู่ที่อื่น เทินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์นี่โง่แสนโง่ให้มันขี่รถเยี่ยวรถเออขับกล่อมบำรุงบำเลอลื่นเลงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอะหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือผลครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูก ตปธรรเผาไหม้เผาไหม้ไว้แหลกแล้วไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงทีเป็นพระราชามหากษัตริย์ จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัดธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้ า, ขาเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้ลุกขมูลเซสนางสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบาปําเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตํำหนักของพระราชามหากระสัเพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมาม า, มากต่อมากแล้วมันเกลื่อนปนอยู่ เบื่อะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดตาก็ไม่จริงมีเหยื่อล้อนั่นแหละตาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองเน่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอาเมจฉินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นแ่ะที่เบมันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกออ ก, ออกจริงจริงตพิสปิบัติจนได้สําเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกแปลงจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า แล้แสนสบายเองนั่นแหละท่านเห็นทุกท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมมาสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้ใ่เองเห็นประจกักอยู่ตลอดเวลาอากาศดีโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลาย น, นี่ยางเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพระนาะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านย่อมมีมากผิด ก, กับ คนทั้งหลายที่มีสิเดชแนะนําสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็บภาพความคาดความเดาเป็นคาดทาเทเนแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งคอแห่งความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดภาพแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทัวถึงไปหมดนั่น แล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทําไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้และสัตว์โลกมีจํานวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มั น, มนก็ฝังจมฝังจ ม, มในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสีดีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ําทําลายหรืออเกี่ยวข้องรู้ถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่เนีย นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราสงสัยอะไรโลกกันนี่โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุ ข, ค ว, สขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วอืงสูงต่ำต่ ำ, ตำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็าตามความจริงประกาศกัางวานให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกขั้งหน้าถิอชาตัดสับทุกติดตามสําหรับผู้เกิดเป็นลําดับธรรดาไปแต่ทุกไม่มีสําหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ ขึ่นเฉลถึงความบริสุทธิ์ได้นั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมุติอะไรที่วกก่าก็คือสมมุติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมผั์ท่านได้เลยนี่นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกําลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระทยัยนะสอนอย่างแม่นยาถ้าใคร ปฏิบัติดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วเอาพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไปแล้วก็ตามทำรรนี้คือทำเพราะทุกคือทุกสมุทัยคือทุคือสมุทยัยนิโรธกรรมมร ก, ก็คือนิโรธกรรมมรกซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่กันารหลาแล้วทําไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกันกบขั้นปฏิการนั่นเองให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติตนะให้เห็นกระจกในหัวใจของเรานี่เป็นยังไง ทำเลิศทำมาเสริฐท่านบรมมาสุขเป็ น, ปนยังไงเห็นดูสิหนาะเป็นยังไงเอาฟ้าตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กเดทมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความผ้าความเพียรเพื่อฆ่ามันนะมันจะหาเรื่องหาลาหาคะแนนหรืออะไรมากตัดเราเรื่อยๆเรื่อยๆมากรีดมากขวางกําลังบางชาก็กําหนดให้กําหนดให้เวลาเวลากําหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากําหนดให้หมดให้หมดให้หมด บางครับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสต็นางา น, นถ้าเราจช็ทราบวันนี้ก็เอาดาเนินไปอย่างที่ว่านั่นะเมื่อมันถึงขั้นที่ถึงเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มาขีดมาขวางอะไรแล้วมันจะพุ่งพุ่งไม่มีคําว่าวันไม่มีคําว่ากลางคืนไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยมีแต่คำหมุนติว้วติ้วที่จะฆากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าสิทธิ์โดยแต่เดียวเท่านั้นเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่านี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกาหนด ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี้เราเราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้อย่างไรอาวมันเห็นดูที่ะทําไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นน่ะมันเห็นในหัวใจของเรานั่นอ่ะการฆ่ากิเลสต้องมาเห็นเรื่องของกิเลสเป็นลดับลาดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชนระไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเปียวไปเรื่อยนั่นทันบัตรธรรมจากบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบําเพ็ญซึ่งแม้แล้วต่อความพ้นทุกโดยไม่สงสัย แต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี้เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้กับ ว, วันหน้าไม่เวลานี้ก็วเวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นทำมันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะปุโรหิเจ้าสอนว่าเป็นสันติติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไล่ค่าไปที่ไหนทำปมโรหิตเจ้าไม่เคยไล่ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ ให้ทำไรค่ะไรค่ะให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจรึงหลงจึงเพ ล, ลินกับมันตาเห็นก็โล ก, ก็เพ ล, ลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพ ล, ลินความสุข ก, ก็เพ ล, ลินความทุกข์ก็ก็หลงหลงไปหมดฟังสิจิตได้แทรกเขาตรงไหนไม่มีคําว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดไหนฟังที่น่ะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วนะนะมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดรู้กันหมดรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเอง จากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัภริยาใดก็ตามถ้าไม่มียานมันก็รู้เหมือนกันอืมันแสดงออกอากัภริยาได้อันนี้มีความหมายนั้นนี่มีความหมายนจิตของกิเลสของกิเลสเนี่ยมันรู้ทันทีทันทีนั่นนั่นละทำท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้ละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านะก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียนเป็นเครื่องหนุนหนุนที่อยู่ที่อยู่ที่ เอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัตินี้จะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของบุญเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนาธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครทาไมนับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบตัติเป็นผ้านี่ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาเน็ดเน็ตตรงไปตรงนี้ที่ศักดิตรงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ที่เด็ดมันจะอยู่ได้ยังไงที่เด็ดมั น, ม, นมันเคยแพ้หรือเคยคิดหายจาก ทำเครื่องสังหารนี้มามากต่อมากแล้วทําไมมันจะได้นอนอยู่สบายสบายเพลินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาเขาไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรผู้ตามความกินเลยมันเป็นไปในรธรรมชาติมันน้ำหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็น อ๋อพูดทำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยไม่ทำมันเป็นจะไม่ให้พูดบ้างเหรอ่านสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมานี้เพราะสิ่งที่มาสัมผัสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้ใหได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี้มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกเปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะดีดอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกกระทำนี้ว่างันเลยอเเปิดใหห้็น ถึงเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงประเมินอย่างไรท่านต้องเห็นตรงรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับป้าสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนั่นทางที่นั่นทำเหล่า น, นี้เป็นโมฆะที่ไหนไล่ฆ่าที่ไ ห, ไไหนมันไล้ค่าตั้งแต่เรื่องทีเลียนมาบีบมาบังคับหมด อ, อันนี้ราคาท่านั้นมันตัดลงไปตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดถูกตัดถูกตัดโดยลำดับลำดานนะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียว แล้วมันจะถูกต้ม อ, อย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอยาเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างนี้สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลตเป็นผู้สร้างทุกข์ทั้งจึงๆึว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยคืออะไรนั่นแนหะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุ ท, ทยัยคือตัวกิเลตนั่นสิปราบที่หัวใจเราณนะปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าแอ ตั้งใจเราพนะิจารณาย่าเห็นนั่นแหละยิ่งเป็นของสําคัญยิ่งก็ทําธรรมวุฒิเจ้าเลิศก็คือธรรมวุฒิยานะในโลกอั น, นี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วมันไม่ต้องถามใครมันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นมากเลยหามันจํำมานะนี่เทศไปเทศไ ป, ไปมันก็เหนื่อยแล้วและเอาละพอเืลาเทศจะพูดธรรมดามันหากเป็นนี่นี่นี่ยังว่าดีกว่าด <laughs> ีเ<ม>พราะเเราจะเหนื่อยพรเหนื่อยแยกเพราะมันเหนแล้ว ห, ห, ย, ห, ย, หวยุด โอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะะไม่ได้เทิดมากอะไรเลยเป็นไง่ะทำมหาฟังเทิดน่ะำไมเราพูดตามความจริงนะผมพูดอยนไม่มถึงใจนี่ยมันอยากว่านั่นเนี่ยเพราะพูดอะไรนี่พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกทีทุกอยาก่างไม่ได้ไม่ได้แบบกลุ้มคำมาพูดอย่นั้นแล้วอยากว่านี่นะมันเต็มอยู่ในหัวงใจเนี่ยถึงออกมาพูดอย่างนี้นี่พี่ มันยังไม่ยอมรับบระพุเจ้าทุกยืนยันผู้องค์หินเต็มประเไทยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอย่นี่เราจะตัวเท่าหนูก็ตามหนูกับหนูกับข้ามันก็วิ่งไปตามกันได้นี่ไม่ใช่่หละือตั้งแต่กินจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอ่านกันยังไงมันไม่อานเออมันก็ไต่ของมันเลยแหละนีของเหมือนกันเรามีกีเลสเราอ่มันเป็นยังไงก็ตามเราโง่เราก็เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่น ธรรมะจึงสดๆร้อนๆสๆร้อนๆไอ้กิมันก่อมเข้าไปก่อนห๋อแ่กเลสเนี่มันเหนียวนี่นะมันสําคัญมากนะมันมีอ่อนตัวนะเนี่ยสําคัญมากนะเพราะอ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีเพราพอมีโวช่องไหนมันจะเข้าทันทีก่อนที่นี่ขพรมันคล้องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันในหัวใจตรงนี้มันจึงรวดเร็วรวดเร็วนุ่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมารถจะมาพูดตรงที่นี่ เพราะขันมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีไม่มีค่าได้ไงนั่นนะเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันทันกันมันก็ะรุ่ในขั้นทันเพราะขั้นมันเหนือกันเหนือกันไปแล้วมันรุ่นรุ่นไปโดยลำดับนด่อยงนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู่นในจิตใจนั้นเราจนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะ แต่ที่ไม่พูดไม่ได้อย่างที่มันมากต่อมากอ่ะผมยิ่งมันเป็นจริงๆนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนะับวันนี้ตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันหากกังวลอันหนึ่งก็ย่าอะไรพูดไม่ถูกเลยคือความไม่เท่าเทียมห่วงใยนั่นเองละมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่เท่าไหร่ที่จะทําประโยชน์หรือทําหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูง ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทําไม่ได้นี้จริงๆมันทําให้เกิดความห่วความใยหรือรว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสานก็ไม่ว่ามันฮักเป็นในหัวใจา ก, การสอนกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงเราเล่าว่จริงนี่นี่นที่อันหนึ่งอะ่ะมันจะเอามาสอนกันได้อย่างไรเนี่ยอันหนึ่งอะ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกทุกคนทุกทุ ก, ทกลูกทุกนามไปนะสำคัญเราพูดถ้ามันเต็มเม็ดหน่วยอ๋อไม่รู้มันสอนไม่ได้มีวางนั่นเลยนะ ถารู้มันปิดมาอยูเนี่ยก็ไปลงน้มันจะลงนั่นอีหละใครจะมาปิดปากไรว่าว่างั้นเลยตีปากกันเลยเใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตยีปากเลยหรือกิเลหรือจะมาปิดปิดปากาปากกิเลสมันส น, นุกอย่างนั้นเแหละแ้วพูดแบบสนุกกันสนุกแบบฮะเป็นอะไรไวะือถึงพูดคือว่าเกียดแค้อย่างทีเหมืนอนกับ่าเกียแค้นเกียดแค้นในกิแต่ความจริงเนี่นเราก็จะไปเกียดทำอะไรคนกิเลสก็จ น, นมาทำใช่หล่ะ เราลรายกออกมาให้มันชัดขึ้นนะอืมยบออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุกลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นผวมันจะเด่นในใจพวกมันจะใจจะได้ปรับลงปรับลงหมายว่าถ้าราคามันลดหรือมันหายนะมันจะพวกนี้มันจะเรื่องนี้เนี่ยเปี่ยนมันจะไปเื่อยเพราะเราลงอย่างรวดเร็วครับอันเนี้สำคัญมากก่ะ ทีนี้ทมันก็มันจะเป็นนะผมเนี่ครูอาจารย์พูดนะปากปวดขึ้นใช่ไหมันชักมันักใชอยุทธ์เาใจไงเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอย่ในใจขนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมเคยเป็นมาแล้วนี่ยโอเจ็บแสบจริงจรเพราะเป็นจุดที่เราปักใจต่อมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นค่าสุขต่อใจมากเนี่ยมันปักงนเพราะงนเพราะมันก็ดิกขึ้นมาเลือกอะไรๆนูนมัน มันถึงเจ็บแตบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเพียบแช่นกันเนี่ยมันไม่เป็นไม่อวัยวะนะมันไม่เป็นมันจะว่าเป็นได้อย่างไรกบตอนเราเตรียมที่จะข้ามมือเสร็จไัยอ่ะมันก็เป็นในในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดละเอียดมันยืดอยู่ในนั่นหรอโหตัวโหดูเขาจห่มอ่ะดต่นั้นเราอุปนิยาที่สู้กับมันมันละเอียดมันก็อยู่ในข้างไหนอย่างไรจรงก็หาบ่าที่ว่า อุดนอนฝ่ออาหารเข้าไปพอเวลาขัดขันมือกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อนี่มันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้มรไม่มีอะไรที่จะกดขว่งทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้วางกันเลยผมพูดให้ตรงปากเลย อันนี้หมาถ้าว่ากดว่าถ่วงก็ถ่วงว่าดึงว่าดูดก็ดูดู ด, ดกด็ดูให้ทุกขนะไม่ใช่ดูดธรรมดาเนะี่ยกดก็กดให้ทุกมันเป็นของมันมันเหมือนตะไฟไหมกองแกรบนี่ยมันสมุดกดมากถ่วงมากถ้าว่าเป็นแม่เลยกก็โโหัวเหล็กอันใดญ่โตที่เดียวมันมันดูดอะไรแต่แม่เป็นเหน่อยกําลังเราสู้เลยหัวถล่ําก็แบบมัน้นมันดูด เวลามันโอ้ยมันเต็มไม่เต็มอเวลากุชลามา้แล้วหอม อ, อย่างนั้นเลยเวลาเล็กกุชล า, ามาแล้วอะไรมาถ่วงวะฮึไอช่วงจริงนี้ก็บอกว่าไม่มีทโออันนี้เนี่ยเป็นท้องผันหนกนั่นเพราะนนถึงให้ปักลงนะำปังน้าางนตรงนี้เนี่วะอ่าเป็นลายปากกันให้หนักนะตรงนี้เนะ่ยอันนี่ตัวส้องผันผมาก ในภาคปฏิบัติภาวนาเพื ra, ่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นพันมากที่สุดเลยเป็นฝวกเป็นหนามเป็นทุกเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนนี้เองโอ้ยร้อยสามพันขมเหมือนเต็นมะพร้าวมาถึงพูดดเลยเวลาพูดกันได้เี้ะมากเป็นพุกมากเครียดแช่งนี่มันก็เครียดแช่งนะผมอะผมมันเป็นสิ่งของใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าไม่เหมือนใครก็น่าจะถูก พรมันเด็ดจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่วันนี้ไก่ไม่เคยไม่นี่ใสไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยเป็นตับตายไม่ยุ่งมีความหมายเลยอ่ะมี่เห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็กําลังวังชามันดีนเสีห่ า, หา อ, อ๋ออายุยนนี่สิบ ยี่เจ็ดออกปฏิบัติพรรษาเจ็ดเนี่ยถ้ามันแปลกดีนะเพราเวลาเราจะฆ่ามันจริงแล้วแหมมันก็เหมือนควายนะมันคลิบตอนี่ถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาแล้วมันก็เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปพอเวลาเราเราจูงมันจะเข้าที่ฆ่ามันขลิบเลยอันนี้คือมันกันเลี่ยงถ้าเรียงหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดง นี่ก็คือผูบำมาเทียมนะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยากเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรแบบมันต้องไม่เชิงนะมันมันก็ไม่เห็นตัวสนใจมันมุ่งอยู่กับยันนึงเพี้ยไม่ไกลไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเยียนไม่ออกไหนเลยมุ่งมันเพราะมันจดจ่อจึิงเอาจริงให้หมดเวลาออกปฏิบัติมี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่หรือมันมันเปลี่ยนอย่างนี้ย่ย่ำมันรวดเร็วแบบนี bottle bottle ่ยังไงจะกอดเรา เรียนงสือมหมันแสดงทีออกมาจะปฏิบัติเพ่อจะให้รู้มากลูกขน้นมันทำไมมันรู้แต่เรื่องอันนี้เป็นในเรื่องนี้หนอัอะนทีนยังไงิไม่อื้อมนะสักกันไปสักกันนาทุกข์กเรื่องนี้ทาให้ทุกข์มากไงหาทางอะไนะทางโบรามันะมาพารู้เรื่องรู้ราวกันก่อนน มันเป็นอะไรไม่เรามาแสดงเอาไว้หรอมันเปนยุดหยุดหเป็นมันนี่่นสินี้มันลืมได้อย่างไอะไรต้อกลับตั้งสติะตังที่จะแก้มันโอ๊ยบอตั้งภาพล้มพล้มหายเงียบเหมือนกับว่ามันขูมปักมือทันทีทันทีเลยีนี่มันเสียใจมากนะผม แยกแยะมาเพื่อรายวิธีการแล้วการนะั่งการการเนสชี่ไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองเนะี่ยมันก็ไม่ดีนั่นแหละผมไม่ถูกไม่นอนแบบสองคืนสามคืนเข้าไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดมนะันเอ อ, เ, อ, อเป็นอะไเป็นทื่อๆมันจะเราเรียนหนังสือมากๆเนาะแล้วสมองมัทํางานมันทื่อๆลักษณะนั้นแหละ บางทั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมซึมเลยก็กลนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมซึมแต่ไม่ได้อุตหาระไ่เป็นอย่างนเะนี่ย<ม>ที่เนี้ฟัดได้เหวี่างกันด้วยวิธีการนั้นทุกทุกแสนทุกทนเพราะเห็นความโล่งความโล่งความสบายในใจในใจมันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีได้ดีนทนนะลื้อยันไม่ต้องท้องเสีย โอนมาโอนตำนานท่องเสียอะไนะก่อนผมก็ไม่สนใจท่องเสียต้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าด้วยก็ทั่งมันมันอยู่สบายแล้วที่นี่ยแบบอยู่อันหนึ่งนะ่ะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่โครงการหลังกันเพราะถึงเวลาธรรมะกันนั่นเป็ น, น, น, นยังไงวะ วางนี่แหละคือตอนที่มันเผอมันมีมันมันก็เผอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนโดนไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ฉันคือในขั้นที่มันเรื่องของมันมันไม่ฉันแต่พอคิดเรื่องเรื่องอนี้มันขนาดไหนขนาดนั้นเลยเป็นถึงจะทําหามเช่นเช่ น, ชนหามเสาไงอยู่เนี่ย มันก็อย่างเช่นอยู่น้องขุยไปหามเสามาทําอำบันไดขึ้นเพราะฝนตกขู่บันไดจะหามเสามาฝั่งก็สักสี่โมงเนี่ยพ่อแม่มาถึงเนี่ยผมยัง่ยจำได้เนี่ยเนี่ยหามเสามานหนักหนามา ก, กอันนี้มันยากขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราขะมันจะปั๊ปป๊เนี่ยเคลื่อนกันอยู่นั่นะไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะมันจะทํากันทันทีทันที มันชั้งลยนมันมันก่อนระงับเพราะเพราะมันไม่สอบมันยังมีทข้ามาอยู่นะมันหนักไม่สอบไม่ไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสดงหาคอใจหาวางกันเถอมันรวบตลวมันแต่เวลามันมันปุงยับตัวนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่ราจะมาเล่าพ่อแม่คูอาจารยมันทําไมสังขายเหมือนกันเราก็ว่างเนี่สังขารคือความปรุงเหมือนกันนเวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องอะไรธรรมานานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่เหระ บอกว่ามันมันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันนั่นทันอ่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่ไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างนะทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันแล้วมันเขาทันว่มันทำไมมันจะเป็นงั้นสังขารทั้งเดียวกันทําไมอเรื่องเหล่านั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทําไมทันนะวท่านท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นคลิกมันเป็นมาก มันจึงกระเทือนมากของเราความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้กันพูดนี้น่าฟังนะแต่ผมจะซักทุ <g> ่ม <ül üyor> หนึ่งน่าฟังจับใม <g ül üyor> จบใมากเหมือนกันเวลาท่านพูด <g> เ <ül üyor> ข้าก็ได้ปักเลย <g ül üyor> อ๋อเปล่งเพาะเห็นนี่คือความระวังมากอะไรนั่ <g ül üyor> นเที่ยงมันก็อะไรเห็นความก็เห็นเสือมันต่างกันนังนอเห็นความมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมักลัวตั้งที่ตายเหมือนกันอย่างนี้น่าฟังทังนี้แหละ อันเหมือนการสังการอันหนึ่งสังกาดธรรมดาอันหนึ่งสังการเป็นเสือเนะ่ยโอ้ยน่าฟังนะจับใจผมสังกัดหนึ่งเป็นเสือสังกัดหนึ่งสังการรลดาเหมือนกับวัวกับควเออนี่นี่ตอนที่ว่ามันทันจะมันยังฆ่าไมได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันค่ายังฆ่ากันไม่ได้มันมันหลักท euh ันของมันถ <sa> ึงม <ira> ันทันมันทันทันจริง จะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงรงนี้จะแยบขึ้นมาพับพ๊บเลยทันทีเลยเราตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันไม่สำัญแต่ยอย่างอื่นคิดอย่าอื่นไม่สำคัถึงข น, น, นาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางมาได้ยังข้ามไม่ได้หรอจับหางมาได้มันยังพาเราวิ่งเลยหัวถลอกเปล่าเาา จ, จับหางมาได้มันพาวิ่งอืมแล้ยังข้ามมาได้ล่างันเถอะตามมันทันอยู่กระทั้งจับหางมันมันยังพาเราวิ่งอีกจะเกลียดแกง มันก็่ชางมันมันมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่น่ะแต่สู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเอาเป็นการฝึกในืัวมันเข้าตัวเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าท่ามก็ทําันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั้นเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอะไรนะ ตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันอักับตอนที่ว่าเออทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันนึ่งขั้นของสมาธิที่อาจะไม่เสื่อมมันมันถึงมันถึงพักขมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั่นเถอะเออ น, นะเพรนะาะใครเติง้งขนี้เอออย่างทีนี้ไม่เสื่อมนะันนี่อันหนึ่ง มันมีอยสามระยะผมแต่ระยะที่มันมันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละการราคาอันาากระเทือนเทือนมากอันนี้เลยวเวลามันขาดจากการนี่มันกระเทือนมากกับเวลาจุดท้ายความสามารถของเราเนอะนั้นก็เหมือนกันกระเทือนมากปะหนึ่งว่าสะดุ้งคนนี่แหละที่ลงกับกระบัวนั่นพูดล้มข้าบัวน้องแสงพูด อันนี้เข้ากันได้กับเราคืออเราถ้าท่านาพูดให้ฟังหลวงตาวั ว, วนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะข้าน จ, จะแก้กันเต็มที่พูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะอะไรนั่นเต็มที่มไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปรู้ฟังแต่พูดเท่าเข้าใจจะของสิ้นหรือนั้นนะ่ะ จนถึงวันนั้นมันประกอบวันอะไรก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดปากแก้วถุนพลเอามานิมนต์ก็บพ่อท่านทุยนี่แหละมานิมนต์นี่นิมนต์นิมนต์หลงตาบัวไหมวะถ้าม่นิมนต์หงตาบัวนี่ไม่ไปวะถ้าน้วงตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพ่อไว้กันนะนะอือ พอนิมนต์ออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นั่นหรือวังนันเลยนะะไปนิมนต์หลงพ่อบัวพ่อไปนิมนต์ก็พูดอีกเหมือนกันนินมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหอ๋ีละน้องตาบัวน้องแซมถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไป<ว>ถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาก็ออกมาแต่นั่นทา่านกับขกพูดแบบเดียวกันนะหือยังไงเลยหัวลับขับพูดเท่านั่นหละที่นินนะไปพู้พเถานั่นแหละเตรียมกุฏิให้ผมซุดวัดทางด้านตะวันตกซุดเลย กับรั ว, วัดเลยเดียวแต่ก่อนปา่าไม้เต็งไม้ลังไม่ใหญ่โตอะไรเลยหลวงพท่ากุติดอยู่นั้นผมวันหลังนีงรั้วกัะมาณนี่เลยหูวทธาวไปถึงก่อนผมแไปก่อนหน้าเป็นกะเช้าเลยหลวงพุทธาวเราไปจัดเองนงท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่อผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะนัเราถึงได้มาพูดกันทีพอไปอาบน้าท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงก็คีบ่วงกว่า เอาหน้ามาท่าเแล้วก็คุยกันพอทุกคนแล้วก็หมูขค้วนลงอะไรไล่หมูขั้วนลงอ้าวที่นี่วะเอาลรานั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยตั้งแต่บัวอ่ะพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างันเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนะนะเอาพูดมาตั้งแต่ต้นก็ไก่ก็กลามาเลยนะวะผมจะฟังทุระยาเป็นยังไงรู้กันวันนี้นะวะเดี๋ยวก็เล่าไปเล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยอ่ะที่นี่นะไม่ต้องพูดเยอมาก พร อ, อะไรๆูเท่าก็เล่าไปเล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนีว่ะพุทธาก็ไปจุดพอไปถึงนั้นแล้วพเท่าก็หยุดเลยอ้าวอะไรอีกเล้ววะสุดเท่านี้หรือมีเท่านี้หรอมีเท่านี้เหรอวป่ามีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่างไงก็ เ, ข, เ, เ, ก ข, เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายหมดนึกในใจโอ้นี่หลือว่าสิ้นแ้่างนั้นหรือเปล่ก็ตอนี้แล้วเข้าใจว่าสิ้นแล้วอ่านเลยจากนั้นเราก็อธิบายต่อแล้ว ก็คนตวนแล้วนี่จวนเต็มที่แล้วไปนอนตายจะก็กองขี่คว า, คควายนัย่นเฉยนั่นแล้วนั่นละกองขี่ควายที่ว่าไปเห็นเป็นของอาาศัศจรร์ข<ม>ึ้นมาจไปอยู่นั่นที่ย่างนั่นเลยไม่ฟิดนิจพิจารณาอะไรเลยอยู่นั่น น, <ม>นี่แห<ม>ละเรื่องความนอนใจนเป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาปัญญาจริญญขงขุนจริเชื่อแน่ว่ามันต่างกันความวรวดเร็วแหลมคมของปัญญาปัญญามีแต่มันต่างกัน น, นั้นแห่ะให้เห็นด้วยกัน พอพูดแล้วพูดเท่ากันเราลงใจกัยทีนี้ลงใจที่เราพูดนะอากับจิเดียก็บอกหมดเลยยิ้มแยมแจม่มใสพอใจกับอุบางิเราทิ้งแน่เอาทีนี้ให้ที่งะนอย่าง น, น, น, นั้นบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคืนวันนี้ไม่ต้องลงไปแล้วหลงตาเร า, า, าเราพ่อภานานแล้วงานนั้นเมื่อผมไปเองมานั่นก็ก็ถูกขอนี่เทิดด้วยผมมาแล้วก็ตามมาณิมนต์ไปเทิดอีกก็ไปเทิดบ้ไม่มากแล้ว ออกไปมาเอากับเอากุฏิเลยตอนข้ามานันพอพอพอพอสว่างเป็นนลุเป็นอานุนเป็นวันใหม่เสียงกึกกักบันไดเรากําลังว่าพระไม่จบเสียงใครนั่นมาเนาะผมเองเลยผมเองเลยงพ่อเลยว่าใช่เอ้าขึ้นมาน้า น, น่ะที่นี้เนี่ยที่มันมันคลายกันเ ป, นเ ป, นเปน็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอได้แล้วที่นี้ไดแล้วด้านน่ะฟังกินน่ะอ้ะวาวที่ว พอพี่พอไปถึงยื่นเสื้จารว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยแบบพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั้นแล้วพอถึงถึงเกือบัแล้นก็ฟาดตรงนั้นเลยแล้วพังเลยผมท่านเมือเข้าใจนะขึ้นนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะนนเข้าใจว่าภาษาภาษาอีสามเขาเรขานกุฏิคือคานกุฏิขาดตรงนุ่งลงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะและ้วคานกุฏิ ผ้าขาดลงนุง่นลงพื้นผึ้งเลยว่างั้นแต่ไม่เจ็บเห็นนะจนว่างั้นนะแต่ไม่จะบึงเนื้อกาาระดานกุฏิภ้าขาดลงทั้งกระดานทั้งพนนื้นลงไปหมดเลยลมันเข้าใจว่านะมันมันกระเทือนขนาดนั้นคราวนี้พอพออันนี้ทํางานเสร็จแล้วพ้อมพ อ, พองานทุกอย่างมันมันเสร็จอาตัดกิยาของติดหยุดแล้วทุกอย่างแล้วลึงมากําหนดดู กุฏิอ <Bien> ย <ven ido> oh, ู Eagle, ่ด like, ีๆโอ้ม kind of ันว่าว่าเป็นขังกุฏิหักไม่ใช่ขางกุฏิมันขังวิชาหักเป็นโ่ะเันนอกก็ใจยังไงดนั่นผู้ต่อแรกอยู่ด้วยปึ้งไปนั่นมันเป็นอันหนึ่งของมันเพราะเวลานั้นมันไม่พูดมาถูกนะน้องน้องพอบววนี่เป็นยาละขณะใหญ่โตมาก แตถ้าดึงทองนี้ไม่มีถึงทําให้เราคิดผมเอา ม, มาแยกอีกนะเพราะปริญัตเราก็เรียนสุกขัยทุกขัยปักยปโกตเทวิชโชรตเราพิโยจะถึงบริสาทธ์ริสุทธตนวนะัโตันะ้นี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างมันแยกจากกันกิริยาอาการมันแยกจากกันแต่เรื่องความสิ้เกลียมันที่เหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นเกลียมต่างกันนะนทําทําให้เราแยก พราะตอนนี้ทอนี้กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้มาโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยนี่เวลามาถึงขั้นที่ท่านท่านท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะท่านถ้าหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรทั้งไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปยิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่นี่อันหนึ่งนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะมันจะขาดจากกันถ้าพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้ละ เรื่องอันนี้ไม่ได้มีในในในตำรานะเราเรียนแต่เราไม่เห็นเแนต่เวลามันเป็ น, นสิถ้าถ้าทั้งนั้นเป็นอ่ะทั้งนี้ตอนนี้เป็นทั้งนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเ <c oughs> คลื่อนพาดได้ยไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัติี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะบางอันเลยมันเหมือนกับว่าโมเลกุลต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเครือบินจะลงสนามพลาด น, นิดหนึ่งบนรนัยเลยไม่มีอะไรเหลืออนี้ผิดไป น, นิดหนึ่งก็ไม่ได้ท่านท่านท่านทึนท่งทองพูน เรื่องราคาท่พูดถูกต้องแอ้วทีนี้จากนั้นท่านกับท่านกับพี่ท่านก็พูดไปละเรื่องต่อไปต่อไปนลค่อยละเอียดไปเอียดไปละเอียดไปข้างนวางที่มาแล้วความละเอียดเลยหมดไปข้านวางท่านพูดว่าละเอียดไปละเอียดไปนี่ความละเอียดเลยหมดไปเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่าจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องในลาวอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาเด้อว่านี่นะ นันแปลกอยู่ตรงนี้แหะที่ว่าท่านไมส่สนใจไพี่คนน่ะเพราะว่าท่านผิดอย่างนึงเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนันน่นที่เราคานไม่ได้น่ะตรงนี้แ ต, แต่ตอนราคาเนี้ยมันก็เข้ากันได้ปุ๊บสันทีเป็นน้ำมันลงใจเลยเพระท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปนี่ฟังฟังไปพอไปถึงนั่นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความทําความละเอียดของทีเดียรความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันน่ะ แล้วเอียดลงไปและอยียดลงไปท่านว่างเนี้ท่านพูดท่านบอกว่าเอียดลงไปมันตาถนัดตามความถนัดของของที่ใส่ของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมนมติหนึ่งอแต่นั้นมันก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกเลยมีแต่ความละเอียดเฉพาะเฉพาะเฉพาะนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทันเหมือนไม่มีไม่มีแน่ไมนเท่ากันได้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ไป นี่อันนี้เรียกว่าเริ่มหมดไปเลยค่หมดไปที่อะไคนหมดไปเล ย, ม ไ, เลยเล ไ, ไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นนะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วจะเราจะจะจะเป็นคําหลงว่าเอ้หลีหลงยังไงมันก็ไม่เห็นหนีแล้วนี่แต่พิจารณาอะไรนี่มัมนก็มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าจะของได้ได้ผิดพลาดไปยังไงฉันว่างั้นนะ มันไม่อยู่อย่างนั้นเ่ะแล้วเหลือหนึ่งตนไม่รู้ว่ะไอ้นี่รู้อนี่มันมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนลูทั้งหลายเพราะว่าเนี้ยมีแปลกอยู่นะรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่ชสร้างปัญหาเหมือนรูอะไรอะไรกับอันนี้อันที่เราใหญ่ใหญ่พาลูไปนี้สิ่งขอนี้พาเป็นปัญหาว่ะความหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเด็กอันหนึ่งมันพูดของท่านแปลกอยู่ท่านท่านก็ยอมเราว่ะท่านไม่มีขนะอันนี้ทของ้วเอง แต่แต่ผลที่แสดงมาต่นที่มีไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้ตอนทีผ่ผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจะเนี่ยย้อนกลับมาพิจารณาที่เรื่องท่านาตามพระญาณนะอรหันต์สนั่นสุขคายปัสโกรเทวิโชชลาภิโยจตุปิสัมพิทัปโตนี่ว่ า, วาสุขคายปัสโสร์นี่ก็คงเป็นเรื่องของยิปัสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายนาอะไรหมุนเข้าไป อิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเลยไม่ไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันแต่วิชโชมันก็เป็นวิ ช, ชาสามอีกนั่นนั่นนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิ ช, ชาสามเลยก็คืออะไรบุเพนิวาสารติยานนั่นจ ต, ตุปาตยานนั่นอาสวะขยญาณ น, นั่นรู้ขนาดที่อวิที่ ขึ้นจากกิเลสน่ะวิชาสามอันนี้ท่านบอกวิปัสโกวิปัสสก์วิปัสโกรู้อย่างเ nee งียบๆไปเลยแต่ท mm. ่านนั้นพูดนายพระยาลรู ني, Maybe, ้อย่างแห้งแรงหรือะไรไปว่ามันแห้งแรงบ้ามั้ยงั้นทีแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งป่ะมันแห้งแรงบ้ามั้ยไงมันเห็นมุสุนาว่าอยากบ้าอยู่างนเราเน่ะมันแ่างแล้งอะไร อย่างนี้ที่ปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนผู้ทีเจ้าเนี่ผมตำหนิผู้ว่ายุ่อย่างแห้งแลงนี่มันแห้งแลงพอมันยังเดล่าอยู่วางมันโโหไเมืองหนไปไหแห่งแล้งมีบวชจะวางเกิดมาตะกนปอกกวนมามันก็เห็นมนิพาดความบุ๋ิถูกตกใจเตียมันมันมันมีหนามิตาบูรุยงแห้งแรงอยู่เหลอมันจะวาใครคนบัญญัติไว้นี่แสดงว่าเนี่ยสุขปัจโกกับพระหันพระูทเจ้าทรงบัญญัติเรื่องของพระละหันพรแท่นมันแห้งแงที่ตรงไหนนะ เข้าใจวิสภาคผมเป็นนิสัยอย่างนี้พูดแล้วจะว่าใช่ไหชละพินโยก็รู้อย่างีแล้วอวิญญาณหกเจตุปัยสัมิรัพปโตแจกขานในเจตุปัยสัมพิชายานทั้งสี่อัดทมนิรุตปิพาละสัมิทาทั้งสี่นะนานนี่มันก็ลืมไปแหลเยันนี้แตมันจะพอจับได้ พอดนได้ดาวได้ไปเรื่องงานเขาตามภาคปฏิบัตินี่มันประจักษ์กระจกของนีูนะ่นะมีในตำรายไม่มีตำรายมันจะมันประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่น่ะมันเด่นอย่า ง, อ ย, างอย่างที่ว่าราคาเนี่ยตอนมันจะขาดจต่ราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในใ น, นั่นเราไม่เห็นในปริญญติเราก็เรียนกันแตมันไม่เห็นนี่แต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่างไงนนะั่น มันเห็นจะเห็นว่าแขงขันสินั่นะคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยจะท่านจะมีนะคำคําพิเไม่มีก็าตามความจริงมีทั่วไปนี่นั่นนะฮะเรื่อยๆ่ไปก็ดะแบบอะไรเลิกอะไรนี่นนเนาะเอาเจ็บออกครับ